ทำมัตสวาณะเป็นวันรักษาศีลของพวกเราในพรรษาขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านตรงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกพวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรเอาไว้อย่าได้ขาดตกบกพร่องให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะว่าการสังสมคุณงามความดีถ้าเรารักษาศีลในพรรษาเพียงสิบสองวัน ยังขาดตกบกพ่องแล้วพวกเราจะสั่งสมคุณงามความดีอย่างอื่นก็คงจะล่อยหลอไปเรื่อยเหมือนกันทำไมว่า12วันเพราะสเดือนเรารักษาสินในสมเดือนเดือนหนึ่งก็มีสี่วัน8ค่ำ15บ้าค่ำแล้วก็8ปดค่ำสิบ้าค่ำแรมขึ้นแรมก็เป็นนั้นว่าส3่ส รักษาศีลเพียงสิบสองวันยังขาดตกบกพร่องแล้วพวกเราจะมุ่งหวังสิ่งที่ให้สูงขึ้นไปก็คงจะยากเพราะฉะนั้นสัจจะคำเน้นควรจะอยู่ในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายสัจจะคือความจริงจังและจริงใจผลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนก็สอนให้มีความจริงจังและจริงใจ ในการประพุทธปฏิบัติเพราพระพุทธเจ้าท่านทํามาแล้วคําว่าสัจจคัมม์นี้พระพุทธองค์ได้ตั้งลงณจุดใดจุดนั้นก็สําเร็จสมความมุ่งมาดนปรารถนานี้ก็เหมือนกันพวกเราได้ตั้งสัจจสะสมสั่งสมขุนงามความดีขุนงามความดีก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเรา เ, เมื่อตั้งสัจจแล้วก็ขาดจัดจักระความละแหลก ก็จะเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็หลาะแหลกไปด้วยาการเป็นอยู่ก็หลาะแหละการทํามาค้าขายก็หลาะแหละจะทําอะไรก็หลาะแหละไปหมดอคนโบราณเขาบอกว่าลักษณะหลักปักขี้เลนเอแอ่ภาษาภบ้านนอกเขาเรียกว่าหลักปักขี้ควายฮคือมันไม่ตรง เ, เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะได้เป็นอย่างนั้น ให้จริงจังและจริงใจในการประพุทธปฏิบัติเพราะว่าอาหารกายเราก็ส่อแสวงหาไม่มีเวล่อมเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับในการส่องแสวงหาเงินหาปัจจัยเลี้ยงร่างกายแต่ส่วนอาหารเลี้ยงจิตใจนั้นพวกเรารู้สึกว่าจะห่างเหินนี่แหละศีลและธรรมนี่แหละเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจถ้าพวกเรา ได้หล่อเลี้ยงทางจิตใจจิตใ จ, จของเราเข้มแข็ง จ, จิตใจของเราได้รับการดูแลบำรุงรักษาใจของเราก็จะมีเหตุมีผล จ, จิตใจร่มเย็นเป็นสุขนะตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสำนิุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาย อาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวธรรมะให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมเป็นเพื่อเป็นการศึกษาแนวความคิดวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสิบตรงกับวันที่ส6บหกันยายนพุทธศักราช 2,553 ห้า้าสา เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันนี้ก็คงจะมีการออกทางสถานีวิทยุเสียงธรรมวัดป่านาคำน้อยของเรา 107.25 ไมโคเฮิรตซ์ FM อ FM107.25 ไมโคเฮิรตซ์คงจะได้ยินในเขตอำเภอนามโสมนายุงสุวรรณคูหาแถบๆเนี่ยสามี่หาเภอ ทังคมสีเซียงใหม่ปากชมเป็นบางส่วนนะวันนี้ก็หลวงพ่อจะแนะนำการเป็นอยู่ของพวกเราคือพระพุทธศาสนาจะเป็นอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพุทธบริษัทสี่พุทธบริษัทสี่คืออุบาสกอุบาสิกาภิกษุสั ม, มเนนนี่แหละคือพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้า ถ้าว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติตนดีมีศีลธรรมพระพุทธศาสนาก็จะคงอยู่ได้ไม่มีกำหนดมากกว่า 5,000 ันปีแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจขาดในการประพฤติปฏิบัติธรรมเอากิเลสโรธโกรธหลงเข้ามาเป็นเครื่องอยู่ไม่รู้คุณค่าของศีลธรรม พระพุทธศาสนาก็จะอยู่กับพวกเราไม่ได้นานเหมือนกันเพราะจะหมดไปเพราะพวกเราไม่ให้ความสนใจเพราะนั้นพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัทสี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าศาสนาของเราต ถ, ถาคตจะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าจะเสื่อมก็ไม่มีใครอื่นที่จะทำให้เสื่อมหรือให้เจริญนอกจากพุท ธ, ธบริษัทสี่นี่แหละ พระพุทธองค์ย้ำลงไปอีกกับสําหรับพระสงฆ์นั้นว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นสรุปแล้วก็คือถ้าว่ายังมีผู้เห็นคุณค่าของศีลธรรมเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังไม่หมดเพราะยังมีผู้นํามาประพฤติปฏิบัติแต่ตามไม่จริง มันเป็นบางยุคบางสมัยจริงๆบางครั้งทั้งที่เราเห็นคุณค่าว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าแต่คนในยุคนั้นสมัยนั้นก็กลับมองไปอีกว่าเป็นเครื่องกีดขวางในการเป็นอยู่ของเราอย่างยกตัวอย่างอย่างสินห้าอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนมา ตั้งแต่โบราณก่อนพระพุทธเจ้าตัดสู้ธรรมศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรรอย่าฆ่ากันนะให้ว่าทุกคนเห็นคุณค่าว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์ใจเพราะเหตุใเพราะคิดเอาใจเขามาใจใจเราเอาใจเราไปสาใส่ใจเขาแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดจุดนี้ ว่าใจเขาใจเราเนี่ยเรามีแต่ว่าจะเอาเปรียบคนอื่นอันนั้นเราก็ไม่เห็นคุณค่าของศีลศีลของพระพุทธเจ้าไม่มีคุณค่าเพราะว่าเราโลภอยากจะฆ่าคนอื่นเขาเพื่อมาเป็นอาหารของเราหรือว่าเป็นสมบัติของเราแล้วว่าเราโมโหโท่โศไปฆ่าคนเขาเข้าเขาเข้ า, ขาเนี่ยเมื่อเราไปฆ่าเขาได้อย่างใจเราเพราะ ส่งเสริมความโลภโกรธหลงของพวกเราแตใ่ใครอื่นจะเป็นอย่างไรข้าไม่สนความสำคัญให้ได้ใจข้าใ ห, ให้ได้อย่างใจข้าพเจ้าอย่างนี้โลกทั้งโลกก็เดือดร้อนทุกคนก็คิดอย่างนั้นด้วยกันใจข้าพเจ้าคนนั่งใจข้าพเจ้าคนนั่งใจข้าพเจ้าทุกคนมีจว้าให้ได้อย่างใจข้าพเจ้าผลที่สุดโลกเป็นยังไงต่างคนก็ต่าง มีสัตตราอาวุธพร้อมที่จะประหัดประหานกันได้เราเวียงระวังตนเองโลกจะหาความสงบรม้มเย็นเป็นจุกได้อย่างไรเนี่ยถ้าเราคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างที่ว่านถ้าเราคิดไปฆ่าเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรฆ่าลูกหลานพ่อแม่วงศาระฆนาญาตของเขาเขามีความรู้สึกยังไงถ้าเขามาคิดฆ่าเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าเราคิด ไม่ท้วนทีแล้วอสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอธินาทานก็เหมือนกันกาเมสุมิชฉาจารก็เหมือนกันมุสาโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาก็เหมือนกันสุราเอเมื่อดื่มเข้าไปแล้วขาดสติคนขาดสติแล้วไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ํา ไม่รู้จักอะไรทั้งหมดเพราะคนขาดสติอย่างพวกเราเห็นคนขาดสติเป็นยังไงถ้าขาดมากๆเป็นยังไงขาดน้อยเป็นยังไงไม่เต็มบัดเต็มเต่งเป็นยังไงล้วนแล้วแต่ลดคุณภาพลดคุณค่าของคนลงทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อดื่มของมืนเมาเข้าไปแล้วก็จะต้องลดคุณค่าของมนุษย์ลงอีกเหมือนกันยิ่งเป็นริงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินยิ่งเป็นผู้ใหญ่ ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของโลกชุมชนใหญ่เรื่องเหล่านี้จะต้องห่างไกลที่สุดแต่ถ้าว่าพวกเรายังให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นยังมีที่รับยังมีที่แจ้งอยู่บางทีมันก็ถลําเข้าไปทางไปดื่มเข้าไปแล้วนั่นแหละความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอันดับแรกกับตัวของเราหน้าที่การงานของเราวงสาขณาญาติของเรา หน้าที่การงานในการเป็นอยู่ของพวกเราก็จะเสียหายลงไปด้วยเพราะเหตุไรเพราะคนขาดสตินะเพราะฉะนั้นถ้ามาพิจารณาดูให้ดีแล้วศินห้าที่พวกเรารับไปสักครู่นี้นะ่นะนะนะนะมีคุณค่ามีประโยชน์นะอย่างมากสาหรับชุมชนและสังคมของพวกเราเปยนเสียแต่พวกเราไม่คิดทนะนะําเมื่อไม่คิดมันก็อะไรก็ตามก็ไม่รู้จักไม่เห็นคุณค่าทั้งนั้นแหละ เออเพราะเพราะเราไม่ไม่รู้จักคุณค่าไม่เห็นคุณค่าสิ่งนั้นถึงยังมีคุณค่าก็ไม่ไม่เกิดเปประโยชน์เพราะพวกเราไม่ได้ไม่ได้ช่วยกัน ส, งส่งเสริมไม่ได้ช่วยกันวิเคราะห์เรื่องศิลธรรมนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เป็นศาสนาสนิกชนพุทธศาสนิกชนพวกเราท่านทั้งหลายต้องคิดต้องใช้ปัญญา เพราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความคิดให้ใช้ความรอบคอบใไตรตรองเหตุและผลแต่ยุคใดสมัยใดคนมีศีลธรรมเชิดชูบูชาศีลธรรมโลกในยุคนั้นก็ร่มเย็นเป็นถุกแต่ถ้าว่าโลกยุคใดสมัยใดไรศีลธรรมโลกยุคนั้นมีแต่ความเดือดร้อนไม่ว่าแต่ยุคนสมัยนี้นะหลวงพ่อเร อ่านได้ศึกษาในพระไารปิดกอ่มันเป็นยุคเป็นสมัยเหมือนกันแต่บางครั้งก็คนเชอดชูบูชาศิลธรรมสมัยนั้นประเทศชาติโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าโลกยุคใดขาดศิลธรรมโลกยุคนั้นก็มีแต่ความเดือดร้อนอ่านรกพอกผูนั่งนั้นเถอะแต่ถ้าว่าคนยุคใดสมัยใดเห็นคุณค่าของศิลธรรม สวรรค์พอกพูนนะถ้ามาเปรียบเทียบกับเมืองมนุษย์ของเราก็เข้าข่ายนั่นเหมือนกันถ้ายุคใดสมัยใดคนขาดจริยธรรมส่งเสริมกันเรื่องอบายยมุกเรื่องผิดธรรมผิดกฎหมายไม่เคารพกฎหมายแต่กฎหมายมันมีอยู่แต่ไม่เคารพต่างคนก็ต่างไม่สนใจนี่แหละ สมัยนั้นยุคสมัยนั้นล้นคุกกว่าง้นทัดเออเพราะเหตุไรเพราะคนไม่เคารพกฎหมายแต่ถ้าว่ายุคใดสมัยใดคนเห็นคุณค่าของกฎหมายต่างคนต่างเคารพซึ่งกันละกันและ ก, การทำมาหาเลี้ยงชีพไม่เบียดไม่บงังซื่อสั์สุดจริตต่ อ, อกันใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดส่งเสริมซึ่งกันละกัน โลกยุคนั้นสมัยนั้นเห็นหน้ากันก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่มีขโมยโพยโจรอีกต่างหากเพราะเหตุใดเพราะพวกเราเห็นคุณค่าของศีลธรรมนี่แหละถ้าว่ายุคใดสมัยใดขาดศีลธรรมก็อย่างที่ว่าลดคุกกว่างัน้นแต่ยุคใดสมัยใดเห็นคุณค่าของศีลธรรมพี่น้องประชาชนร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากัน น, นี่แหละสมัยหนึ่ง พระเจ้าพ ม, มาทัดของราชสมบัติในในกรุงพาราณสีที่ท่านยกเป็นนิทานขึ้นมาน่ะข่าวนั้นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์เอ๊ะทำไมเทวบุตรเทวดาหน้าใหม่ๆทําทำไมไม่ขึ้นมาบนสวรรค์เป็นเพราะอะไรทำไมแต่ไมทาไมเป็นแน่นอยู่นรกมองไปนรกมันแน่นไอ้แย่งกันเข้าตกนรกแย่งกันเข้านรกออ อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดยุคนี้สมัยนี้ประตูวัดอยู่ในเมืองสี่ประตูทั้งสี่ทิศสีด้านเปิดไว้เข้าเวลาไหนเขาได้เข้าสู่วัดวาศาสนาแต่ประตูคุกใส่กุญแจทั้งห้าสิบชั้นเหมือนกันเอะคนก็นแย่งกันเข้าเพราะเหตุอะไรเพราะคนสิ่งแย่งกันทำสิ่งที่มันไม่ดี เร่องการทําสิ่งที่มันชั่วอย่างที่หลวงพ่อไปเห็นประตูคุกมันมีอยู่ห้าห้าชั้นงนั้นแต่แต่ชั้นนอกก็เปิดแต่คนที่อยู่ชั้นในคือคนประตูเดียวกันน่ะคือประตูกุญแจสองทั้งสองข้างทั้งข้างนอกข้างในทั้งนอกข้างในข้างนอกข้างใ น, ง น, ง น, ง น, งนสรุปแล้ว ก, ก็คือเป็นสิบชั้นขนาดนั้นคนเข้าไปในคุกก็ยังโอโหเต็มไปหมดเพราะเหตุไร พราคนแย่งเข้าคุกมันไม่ได้แย่งหรอกเพราะการทําความชั่วของคนนั่นแหละมันก็เลยได้เข้านี่เหมือนกันพระ อ, อินทร์ท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมสวรรค์เนี่ยทําไมยึงพ่องหาเทวปุถุเทวดาหน้าใหม่ขึ้นมาเนี่ยหายากเหลือเกินเห็นแต่มันเป็นแน่นอยู่นรกเราจะทํำยังไงเราจะแก้ไขยังไงเพราะพระพุทธศาสนาในยุคนั้นเหมือนกันแตอจะอยู่อีกถึงพันปีแต่อันนี้มันจะไม่ถึงเลยเนี่ย มันจะหมดทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะเหตุไรพเพราะพระเนรเถนชีก็ออกนอกลูก่นอกทางกันคารวะญา ต, าติโยมก็ไร้คุณภาพไรคุณธรรมไรศีลธรรมไปทั้งหมดแล้วพราะพุทธศาสนาจะไม่ถึงพันปีอย่างที่พระพุทธเจ้าที่วางเอาไวา้วเลยเราจะช่วยยังไงเนี่ ย, ยพระอินทร์คิดหนั ก, กว่า ง, งั้นจากนั้นท่านก็สั่งมาตรีเทพพระบุตร เอที่เป็นคนที่เป็นเทวเทวบุตรเอที่เป็นผู้สนองของพระอินทร์ที่รับใช้พระอินทร์บอกว่ามาตรีเธอตรงทำตนเอเป็นหมาใหญ่นะเอหมาสีดำม่ำนะมแลงั้นตัวเท่าม้าันพราะพระอินทร์แสดงเนี่ยเอจากนั้นพระอินทร์ก็เป็นนายพรานเป็นพรานป่าถือธนูใส่ผ้าสีแดงมัดหัวใส่เสื้อสี อยาน้ำตาลแก่ๆอีกต่างหากเหมือนั้นนตะเออคือแบบแหล่งธ น, นูมีดาบมีอะไรเน็บพร้อมเลยเหมือนกับพานป่าเหมือนกันแต่ทีนี้ท่านก็เอาหมาลงมาจากชั้นสวรรค์เอามาห่างให้มันอยู่ห่างจากกรุงพาราณสีพอประมาณสักออให้เดินเข้ามาให้คนเห็นเหมือนกันตอต่จากนั้นก็เดินท่านก็ป่าก็ประกาศอลไรมันือเหมือนกับเสียงฟ้าร้องเหมือนกันแต่เออ เสียงฟ้าร้องเหมือนกันเอาแล้วโลกจะจิบหายแล้วเหมือนกันพวกโลกทางหลายมีแต่มัวเมากันมีแต่ทําความชั่วแย่งกันทําความชั่วตลอดอพวกสวรรค์ทั้งหลายเทพบุตรเทวดาพ้องมีแต่แน่นกันอยู่น่าลกเพราะพวกท่านทั้งหลายทําแต่กรรมชั่วพระเอ็นประกาศไอ้คนทั้งหลายก็ได้ยินอจากนั้นก็ลงมากับคนทั้งหลายก็เห็น พระเจ้าแผ่นดินทราบข่าวว่ามีนายพานกับหมาใหญ่กำลังจะเดินเข้ามาในเมืองพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งปิดประตูเมืองทันทีเลยแต่ว่าหมาใหญ่กับนายพานก็โดดข้ามกำแพงได้เหมือนันพราะท่านมีอิทธิฤทธิ่ใช่ไหมจากนั้นก็เดินเข้ามาจนถึงเวียงวังน่ะพระเจ้าเป็นดินก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องออกไปมีอะไรกั้น比如说คล้ายๆว่า อดใจมั้งั้นเถอะสู้เพื่อตายเป็นตายลักษณะนะเพราะตัวเองเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยออกไปกับบ่าวหมาของท่านนะ่ยมันเห่าอยู่ตลอดเนี่ยมันต้องการอะไรไหมัมนต้องการกินนะการอาหารเลยพระเจ้าไปดีก็เอาเอาหารให้กินทีมาตรีเทพบุตรใช่ไหมมันก็มีพ่านมีฤทธิ์เนี่ยท่านก็เอาอาหารพรยนที่อื่นซะนมันก็หมดพรับเดียวแล้วนะใช้อิทธิฤทธิ์เนี่อแต่เนี่น ก็ถามอีกทาไมมันยังเห่าอีกมันกินไม่อิ่มเหมือนพระอินทร์บอกมันกินไม่อิ่มอย่างนั้นพรเทวบุตรก็อพระเจ้าเปนีนก็หาอาหารคนมาอีกอคนอีกมันก็อย่างที่วายอีกเหมือนกันอกินแป๊บเดียวก็หมดอหมาใหญ่ผลที่สุดพระเจ้าเปรีนก็ถามว่าหมาของคุณเนี่ยชอบกินอาหารอะไรทํามันมักินมากถึงขนาดนี้ ไปเอ็นก็นบอกว่านี่แหละถ้าใครทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงหมาผมชอบมากว่างั้นอ ย, อย่างพระเนนเถนชีก็เหมือนกันถ้าออกนอกรูกนอกทางอย่างทุกวันนี่ทำมาค้าขายไม่อยู่ในศีลและธรรมออกนอกพระธรรมวินัยนี่แหละหมาผมชอบมากมันจะกินพวกนี่ที่เอามาคาวนี่หมาที่มาคาวนี่ว่างั้นอย่างคารวัตญาตโยงก็เหมือนกัน ถ้าใครผิดศีลห้าเนี่ยคนนั้นล่ะจะต้องหมาต้องต้องกินสรุปแล้วก็คือพระ อ, อินท์ต้องการสอนคนว่างั้นค่อะแต่สอนคนให้มีศีลธรรมถ้าไม่สอนหนักขนาดนั้นเนี่ยคนมันก็ไม่กลัวแต่นี่อจากนั้นพระ อ, อิน์ก็บอกกล่าวเลยแต่เนี่ยอย่าทำกรรมชั่วนะเดี๋ยวนี้มันทางหลายมันแน่นอยู่ในนรกแล้วนะให้ทำแต่คุณงามความดีให้สั่งสมแต่คุณงามความดีนะ จากนั้นพระอินทร์ก็แสดงตนให้ปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่พรานเป็นไม่ใช่พานนยพานแต่ข้าพเจ้าเป็นสักกะเทวราชมาเพื่อเตือนมนุษย์พวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการทําความชั่วถ้าพวกท่านทําความชั่วมากมันจะแน่นทางนรกเพราะเดี๋ยวนี้บนสวรรค์รู้สึกว่าพร่องเพราะคนทั้งหลายไปแต่นรกมากเที่ยวบุตรหน้าใหม่ๆ เทวดาหน้าใหม่ๆจะขึ้นบนสวรรค์ยากขึ้นเรื่อยอมีน้อยมากมันจะไปแน่นจนนรกนี่เราเราถ้าพวกเรานําชาดกมาวิเคราะห์ดูมันก็คงจะเป็นยุคเป็นสมัยเหมือนกันถ้าคนเราในยุคใดสมัยใดเห็นคุณค่าของศีลธรรมในยุคนั้นสมัยนั้นสวรรค์เทวบุตรหน้าใหม่เทวดาหน้าใหม่ก็ขึ้นไปจูบนสวรรค์ แน่นไปหมดมีแต่ความผาสุกพรมเย็นเป็นถุกแต่ถ้ายุคใดสมัยใดคนไม่บูชาไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมมีแต่ทำตามอําเภอใจทําตามมัญหาใจตามมัญหาใจของเรานั้นอําเภอใจของเรานั้นโดยมากชอบไปในทางต่ําชอบฆ่าบ้างชอบขอโมยบ้างประพฤติผิดละลาบละล่วงในสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาบ้าง โกหกมุสาต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาบาังดื่มสุราเป็นอาจินด้วยเยมื่อคนดื่มสุราแล้วเอจะทําคุณงามความดีได้อย่างไรเพราะคนขาดสตินะเพราะนั้นศีลธรรมของพระพทุทธเจ้าถ้าเรางดเว้นในสิ่งเหล่านั้นมิจะทําคุณงามความดีคุณงามความดีก็จะส่งคนให้ไปสู่สุขสติถ้าว่าพวกเราในชาตินี้ก็อย่างที่ว่าถ้าพวกเรา ไม่ทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ลักไม่ปลนไม่เบียดไม่บังไม่คดไม่โกงไม่ฆ่าพ่อแม่ไม่ฆ่าคู่คนไม่ทำผิดกฎหมายพูดยังไงไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองต่างคนก็ต่างเคารพกฎหมายบ้านเมืองคุกตารางก็ว่างเพราะเหตุไรเพราะว่าคนไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าว่าคนขาดศีลธรรม ไม่เคารพกฎหมายในยุคสมัยใดยุคสมัยนั้นก็คุกเต็มแลว้วงั้นก็คุกตารางนี่เต็มเลยล่ะ เ, เพราะเหตุไรเพราะว่าคนทำความชั่วคนทำผิดกฎหมายอันนี้ก็คือมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันมากมายแต่ถึงยังไงต่างคนก็ต่างให้มองตนเองว่าข้าพเจ้าเป็นยังไงในขณะนี้สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทา สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่มันถูกต้องเรามีหน้าที่อะไรเราเกิดมาทั้งทีชีวิตเราเกิดมาจากใครก็ควรจะดูบุภการีของเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราจากนั้นก็ดูคร อ, อบครัวของเราสามีภรรยาลูกของเราจากนั้นก็ดูสิ่งแวดล้อมมิตรสหายของเราเจากนั้นก็ดูครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ความฉลาดแก่เรา จากนั้นก็ดูสมณชีพราหมณ์ผู้ให้ความรู้ส่งสังสอนธรรมะให้แก่เราอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องมีทุกระดับ อ, อย่างหลวงพ่อก็ต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์และก็จังยังมีครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาอาชีพให้อีกแล้วก็มีมิตรมีสหายอีกต่างหากนั่นแหละจะมีคนงานคนรับใช้ ลูกน้องบริวารก็ต้องมีเพราะนั้นเราอยู่ในสถานะไหนเราต้องมองรอบด้านของเราอย่าทำให้เขาเดือดร้อนอย่าทำให้เขาทุก์ใจ เ, เว้นเสียแต่ว่าเขาทำไม่ถูกเราก็ต้องบอกในเมื่อทาไม่ถูกแล้วจะให้เขาสุขใจทุกคนก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมันทำผิดเราก็ต้องบอกผิดนะอย่าทานะอย่างนั้นไม่ถูกนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนอีกเหมือนกัน ถ้าพวกเราไม่สอนกันใครจะเป็นคนสอนไม่บอกกล่าวกันใครจะเป็นคนบอกกล่าวถ้าว่าผู้นั้นเป็นบัณฑิตผู้นั้นเป็นนักปราชญ์ก็ต้องยอมรับคันไกลกรอนกันกันกลองไตตรองเหตุและผลจากนั้นก็ปฏิบัติตัวเองให้เป็นพระที่ดีคนที่ดีลูกหลานที่ดีลูกน้องบริวารที่ดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะท้งนี้ทางนั้น ที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยจัดเป็นหมวดศีลคือส้ำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยอย่าให้มีโทษในหลักของพระพุทธศาสนาจัดเป็นหมวดศีลกฎหมายบ้านเมืองอก็ดีศีลห้าก็ดีการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีก็ดีให้รู้จักสถานะของตนเองคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอยู่ในสถานะปู่ย่าตายายหรือสถานะพ่อแม่ของลูกหลาน เ, เรา ก็ควรทําตีให้ดีที่สุดออในหน้าที่นั้นๆถ้าพวกเราทําตีแล้วนี่แหละตัวเราร่มเย็นเป็นสุขผู้เกี่ยวข้องร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขใครๆก็ต้องการไม่ใช่เหรอความร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าจต้องการความเดือดร้อนวุ่นวายถ้าว่าผู้ใดต้องการแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายก็ทําตัวไม่ดีก็แน่ละแสดงความเดือดร้อนวุ่นวายแล้วเป็นยังไง ตัวเองก็ไม่อยากจะเข้าคุกเข้าตารางอีกเหมือนกันใ่ไหเพราะเองตัวเองทำความชั่วแล้วความชั่วจะไปที่ไหนมันก็มีแต่พาเข้าคุกเข้าตารางถ้าล้มหายใจตายจากชาตินี้ไปแล้วก็นั่นหละตกนรกหมกไหมไปนั่นเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยำชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะคำชั่วนั้นย่อมให้ผลทุกเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่แหละขอให้พวกเราพวกทุกท่านนะในหลักของพระุทธศาสนาท่านให้ดูตนเองให้มองตนเองอย่าไปทำํำถ้าว่าลวกเราส่งเสริมกันมีแต่สังสมคุณงามความดีในยุคใดสมัยใดสวรรค์จะมีคนไปมากแต่นรกเนี่ยพ่องว่างั้นเถิดหรือพวกเราจะจะให้นรกมากหรือจะให้สวรรค์มากมันอยู่กับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนนั่นแหละนะ แต่ถ้าเราทําคุณงามความดีก็นั่นแหละเออก็ไปสู่สุขติใครๆก็ต้องการสุขทั้งหมดนั่นแหละแต่ความทุกขนะ์น่ะไม่มีใครต้องการแต่ทํายังไงได้ตัวเองทะเลถลําเข้าไปแล้วเออเพราะการยับยั้งไม่อยู่เอ่อพทอทำความชั่วเมื่อทําความชั่วแล้วก็นั้นก็จะต้องได้รับโทษเนีเพราะว่าตายแล้วไม่สู่นะในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยยืนยันและยืนยันอีกเออตายแล้วไม่สูญถ้าพวกเราอยากจะรู้ให้พวกเรานั่งภาวนา หลักพิสูจน์คืคือนั่งภาวนาเนี่ยไม่เป็นอย่างอื่นจะไปคิดเดาเอาอย่าไปคาดคะเนนเอาอ่าไปอ่านตำรับตาราแล้วก็มาพูดกันจะรู้ได้ไม่ใช่ไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบ เ, เมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจร่างกายนี่คืออันหนึ่งจิตใจนั่นคืออันหนึ่งแต่อาศัยกันอยู่ในในตัวของเราคนเดียวรูปธรรมและนามธรรมา ตัวนามธระทมเนี่ยไม่ตายแต่รูปประทมเนี่ยตายแน่แตกตายสลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้นั่งภาวนาการนั่งภาวนาทมยังไงหลวงพ่อก็เคยบอกนั่งเหมือนพระพุทธรูปนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกหายใจออกบริกรรมว่าโธนี่แหละให้พวกเราศึกษา ว, วิชาในโลกได้ต้องศึกษาทั้งนั้นแหละไม่ใช่จะ ส, สยามภูรูดแย้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะรู้ได้อย่างไรแต่วิชาอาชีพอย่างอื่นพวกเรายังศึกษาทํามาหาเลี้ยงชีพตั้งแต่เรียนกอไก่ขอไข่กี่ปีจากนั้นเราเรียนปริญญาตรีโทเอกกี่ปีเราศึกษาหาวิชาอาชีพเพื่อเลี้ยงร่างกายของเราเลี้ยงร่างกายกันคือเนี่ยมองเห็น เข้าน้ำโภชนะอาหารหาเงินมาเพื่อเลี้ยงร่างกายปัจจัยสี่คือเลี้ยงร่างกายอาหารเลี้ยงร่างกายยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดูแลร่างกายผ้านุ่งห่มมาห่มให้ร่างกายสร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อให้ร่างกายอยู่เย็นเป็นสุขไม่หถูกแดดถูกฝนให้อยู่เป็นสุขแต่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนยาดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มดีขนาดไหน ที่อยู่อาศัยดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะพวกท่านทางหลายนะนี่พระพุทธเจ้าสั่งยังเป็นอื่นใครว่าเป็นอื่นไม่ให้มันแก่มันก็แก่อยู่ไปเธออยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวก็ผมหงอกทีละเส้นสองเส้นเข้าไปฝนที่สู่เข่าผมขาวทั้งหัวเลยเอต่อไปก็หูตึงหูหนวกเข้าไปแหละตาฝ้าตาฟางเข้าไปฟันหลุดทีละซี่สองสี่ไปเลยอย่าหลุดนะฟันนะห้ามอยู่ไหมมันไม่อยู่ เพราะนนถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายก็เป็นอื่นอยู่เสมอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเธอเน่เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายเลี้ยงดูพอประมาณแต่ให้พวกท่านทั้งหลายให้หาอาหารเข้าสู่จิตใจนะแต่พวกเราไม่รู้งงเลยจิตใจนี่คืออะไรพราะไม่ได้ศึกษามีแต่เห็นแต่รูปธรรมตาเห็นแค่นั้นหาอาหุงอาหารให้เลี้ยงร่างกายเท่านั้นให้เลี้ยงใจเนี่ยไม่รู้จะเลี้ยงยังไงนี่แหละ เขาพระเจ้าให้เลี้ยงอาหารทางใจอาหารทางใจคืออะไรนี่แหละสมาธิธรทำนี่แหละจากนั้นก็ให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเรานะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเกิดแก่เจ็บตายนะแต่ส่วนจิตใจนั้นจะออกจากร่างถ้าพวกเรายังไม่ชำระใจใจของเรายังไม่บริสุทธิ์ใจหนูนี่ก็ไปเกิดอีกเพราะมันเพราะมันมีเชื่ออยู่ เชื้อที่จะทำให้เกิดมันมีอยู่มันมีตามันมียางมันมีอะไรในเม็ดเมล็ดขนุนนะั่นะเมล็ดข้าวนะั่นะมันจะต้องไปเกิดอีกไปผอกไปถูกที่อากาศชื้นอากาศที่เหมาะสมที่อากาศโลง่ๆลงๆปร่งๆขึ้นมาแล้วมันเกิดงอกเกยขยายผลอีกพอย้ายอีกจากนั้นก็หมดอีกเกิดอีกเหมือนกับเมล็ดข้าวอย่างนั้น อันนี้ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยะพราะพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วพราะพรธองค์ท่านบอกว่าเนี่ยอะไรทำเหตุให้ทุกเกิดสมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิดสมุทัยคืออะไรกามัตตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือตัณหาทหี่ทำให้พวกเราเป็นทุกข์เนื่องเมื่อมีตัณหานำมาเกิดแล้วนั่นแหละพวกเราเ็าด็รับทุกข์ละท่าน การมัตตนาปวัตนววตนาวิปวัตนา ท, ทุกขสมุทัยเหตุทุกเกิดก็คือตัณหาในเมื่อทุกขเกิดขึ้นมาแล้วมักผลทางที่จะทําแก้ทุกได้เมื่อมักฆะปฏิปทามักแปดแก้ผนทางแก้ทุกได้แล้วนั่นแหะนิโรธคือความดับทุกก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นแหละสรุปแล้วก็คือหลักของพระพุทธศาสนา ท่นไม่ให้ดูที่อื่นนะดูที่นามธรรมาตัวใจนะั่นแหละตัวรู้ๆอย่างนี้นะเดี๋ยวตัวนี้แหละตัวการใหญ่ถึงเราจะทํำยังไงเรื่องของกายมันก็เป็นอย่างเรื่องของกายไม่มีที่สิ้นสุดถึงที่สุดของกายก็คือตายนะแต่ใจตรงนี้ไม่มีที่สิ้นสุดออกจากกายแล้วกรับนั่นแนหะไปเกิดในภพภูมิต่างๆอีกต่อไปนะวันนี้หลวงพ่อได้เริ่มต้นตั้งแต่เรื่อง การประพฤติตนให้เป็นคนดีให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาแล้วกระทำตนอย่างไรเดี๋ยวนี้โลกมนุษย์ของเราไม่ว่ายุคใดสมัยใดล่ะถ้าคนหนักไปในทางชั่วคุกตารางก็เต็มนรกก็เต็มถ้าพวกเราสั่งสมคุณงามความดีมีศีลธรรมมีศีลห้าประจํา กายวาจาของพวกเรานะพูดง่ายๆนะคนที่มีศีลห้าประจำกายวาจาอันนั้นคือเป็นคนดีแหละท่อนคุกตารางก็ไม่เข้าอนารกก็ไม่ไปมิถะไปสวรรค์มีแต่ความสุขในอยู่ในเมืองมนุษย์ก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นจุขทั่วนหน้ากันเพราะอะไรเพราะเรามีศีลธรรมจากนั้นหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับพระอินมาสอนเมืองมนุษย์ มาสอนพวกมนุษย์เราอย่าทํากรรมชั่วนะเพราะสวรรค์มันพ่องนะท่านว่านะแต่ถ้าทําำทำชั่วแนละ้วพวกท่านแอด อ, ดอัดจุไปลงนรกสวรรค์มันพ่องไม่มีใครขึ้นแต่แต่พวกท่านทั้งหลายทําคุณงามความดีสวรรค์ก็จะมีเทวบุตรเทวดาหน้าใหม่ขึ้นไปใช้บริการเมื่อไงเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราเนะี่ยชอบชอบไหนล่ะท่านทำเอาพวกเราชอบ บุญงามความดีชอบบุญกุศลก็นู่นไปสู่สวรรค์แต่พวกเราทํากรรมชั่วก็อย่างว่านี่ยนะไม่อยากก็ได้มันก็ต้องได้คุกตารางเออเพราะอะไรเพราะตัวเองทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ต้องรับกรรมตามที่ตนเองได้กระทาไว้เพราะฉะนั้นกรรมชั่วอย่าทําเสลย ด, ดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมมติธรรนิยกถาเป็นเครื่องตักเตือนคณะสัทธา ญ, ญาณโยมลูกหลานทุกคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ไห้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญแต่ต้องตายแน่ๆทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันเพียงแต่ชี้มหันตภัยมหันตภัยของพวกเราคือนี่แหละพวกเราอย่าประมาทนะอันนั้นคือมหันตภัยนะหลวงพ่อชี้ให้ฟังแต่ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันถึงจะขู่แล้วไม่ขู่ก็เท่านั้นแหะหลวงพ่อเพูดพูดหลวงพ่อก็จะตายเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายไม่แพ้กันว่างั้นเหร เพียงแต่พูดว่าพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สังสมคุณงามความดีไว้นะตายแล้วไม่สูญนะนรกสวรรค์มีจริงนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนะพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ท่านรู้ไปท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วนะเอท่านเห็นจริงเห็นความจริงแล้วจึงมานํามาบอกมากล่าวพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระสงฆ์สาวก ของพระพุทธเจ้าที่ท่านมาประกาศมาเผยแผ่เป็นทอดๆกันมาณตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร